เป็นสูตรเป็นด่านไม่กักเอาไม่ได้แล้วเรื่องของกายเรื่องของเวทนาก็เหมือนกันเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์คือมันเกิดขึ้นกับกายกับรูปส่วนเป็นรูปนี่ยมันเป็นเหตุเมื่อมันทุกข์ก็ไปถึงกีดถึงใจทําให้ใจทุกข์กายเราก็ทุกข์ใจทุกข์ใจเราก็ทุกข์กาย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 ความคิดเห็นความคิดเนี่ยเห็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันก็เป็นปัญญาจนตอบได้แล้วจิต ก, ก็สึกไว้จิตไม่ใช่สดตปุคลตวตนเราเขามันกักไม่ได้แล้วบันผ่านาาถ้าจะเป็นด่านมันกักมันขวงมันกัน้นทำให้สยบทาให้อยู่ผู้ที่จเจริญสติเนี่ยถือว่าผ่านได้เหมือน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 เป็นความสุขเป็นความทุกข์ว่างเจอวะธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนธรรม ก, ก็คือการสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผิดเป็นกุศลเป็นอกุศลกุศลก็คือความหลงในความสุขหลงในความรู้หลงในความคิดเหตุผลต่างๆอ ก, กุศลก็หลงในความทุกข์หลงในความโง่หลงงงหมายไปก็ไม่ไม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 ร้อนร้นหนาวหนาหิวปวดเมื่อยพอ่าเห็นเป็นกองรูปกองน้มก็เห็นเป็นอาการเห็นเป็นอาการของกองลูเห็นเป็นอาการของกองน้มไม่ใช่มีตัวมีตนอยู่ตรงนั้นสรุปให้เลยความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยเป็นอาการของรูกแต่ลูปมันไม่มีอาการมันก็เป็นอันตราย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 รักษาขี้กลากให้มันหายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเกลวนะ์นะนี่จึงจะเรียกว่าสุก ข, ขอไข่สุกกอไก่ก็คือเกลว์สุก ข, ขอไข่คือไม่ต้องเกลว์ไม่ต้องเป็นสุกเป็นทุกข์พรกองรูปรกองน้ำอีกแล้วไม่ต้องเก่าอีกเรื่องที่เกิดขึ้นกับรูปกับนาม เ, เห็นแจ้งเป็นปัญญานะรักษาเอารูปเอานาำมาทําความดี เอาลูป them, เอานามมาละความชั่วเอารูปเอานามไปทําความดีความดีที่อาศัยรูปใสยนามเนี่ยทำดีได้เยอะทาดีได้มากไม่เสียเวลาที่จะเอารูกวอา น, นามไปทําชั่วเคยสูบบุหรี่เคยกินเหล้าเคยโกรธเคยโลภเคยหลงกังวลหมดไปหมดไปแล้วบวะนีะเหลือนะแต่รูปที่เอามาทําความดีได้สําเร็จเอารูปมาละความชั่วได้สําเร็จ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 สิงไหนที่มันเกิดขึ้นไี่ไม่ใช่สติสติรู้แล้วนะรู้แล้วอไปนะไปแบบนี้ไปทางนี้นะปฏิบัติธรรมมันเป็นทางดูความรู้สึกตัวเหมือนทางคมหลงมันก็เข้าลกเข้าพงไปคนที่เดินอยู่บนความรู้สึกตัวเหมือนคนเดินในบนเส้นทางเทลงที่เตียน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 จดสุดลมหายใจดีมากพยายามให้มันยาวๆออกไปจนหมดจนหมดจนหมดเสียงเลยนะสูดลมเขา้าปล่อยแล้วปอกนี่การสวดมนต์ไหว้พระเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เป็นส่วนประกอบไม่ใช่เรามาเอาดีตรงนี้เราเอาเสียงที่มันจะถูกเก่งๆชนกันจกิงๆเจเอ๋กันจรยงเจเอ๋กับความหลง